รองศาสตราจารย์สุภัทราโกศัยยการนนท์รักษา ร, ราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลร้นนครเปิดเผยว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลร้นนครเป็นสถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านอาชีพอย่างยาวนานมุ่งเน้นการปรับหลักสู่การเรียการสอนให้ทันสมัยรองรับอาชีพในอนาคตเน้นการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาเป็นพื้นฐานในการจากกัดการเรียนการสอน ไม่ว่าจะเป็นสื่อการเรียนการสอนดิจิทัลหรือการดวนณาการองความรู้ในรูปแบบต่างๆซึ่งเชื่อ ว, ว่าจะส่งผลให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีศักยภาพสูงสามารถทำงานในสถานประกอบการหรือสามารถเป็นผู้ประกอบการได้ทันทีปัจจุบันมหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีประเภทรับตรงประจำปีการศึกษา2562จำนวน845คน ในกลุ่มประกาศศิยบัตรวิชาชีพหรือปวชและประกาศศิยบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวสซึ่งเปิดรับสมัครในหลักสูตรป ร, ริญญาตรี4ปี5ปีและหลักสูตรเทียบโอน2ปีต่อเนื่องจำนวน8คณะได้แก่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะศิลปาศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นและคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบโดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง30เมษายนผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแรังนครโทร026653777ต่อ6636นันทนาสีมา วิทยุราชมงคลพระนครรายงานรัฐบาลเผยเปิดจองเข็มที่ระลึกงานพระราชพิธีบรมราชาพิเศษที่ไพรสนีไทยแล้วย้ำหากใครจัดทำโดยไม่ได้รับอนุญาตถือมีความผิดนายสมพาษณ์เนลพันธ์ที่ปรึกษาสำนัก ง, งานประลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า S <S <an> <S การจองเข็มที่ระลึกงามพระราชพิธีบรมาราชาพิเศษพุทธศักราช 2,562 ขนาดนี้มีประชาชนจองเหรียญผ่านบริษัทไปรณชนีไทยแล้วส่วนที่ห้างบิ๊กซีก็กระจายไปทั่วสาขาเพื่อรอจำหน่ายให้ประชาชนคาดว่าจะเปิดจำหน่ายให้ประชาชนได้และจะเพิ่มจำนวนจำหน่ายอีก10สาขาในวันที่30เมษายนนี้โดยจะมีการกระจายไปยังแต่ละสาขาไม่ซ้ากัน ก่อนวันที่สองพฤษภาคมนี้ก็จะเปิดจำหน่ายอีกครั้งจึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดีและเฉลิมฉลองพระราชพิธีบรมราชาพิเศษโดยการซื้อเข็มตราสัญลักษณ์ประดับเสื้อที่อกในส่วนของข้าราชการพลเรือนตำรวจทหารก็ขอเชิญชวนให้ประดับเข็มที่ด้านอกขวาเหนือป้ายชื่อหากเป็นชุดสุภาพชุดสูรประดับที่ปกเสื้อด้านซ้ายหากเป็นเสื้อผ้าไทยก็ประดับที่ด้านซ้ายบนสุด ทั้งนี้นายสมพาษ์ยังกล่าวย้ำว่าสำนัก ง, งานประหลาดสำนักนา ย, ยกรัฐมนตรี เป็นหน่วยงานเดียวที่ได้รับอนุญาตให้จัดทำเข็มที่ระลึกหากใครจัดทำเหรียญโดยไม่ได้รับอนุญาตถือว่ามีความผิดตามกฎหมายมีการประชุมร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกองบังคับการตำรวจปราบปรามตำรวจสันติบาลคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคกระทรวงเทคโนโลยีเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อวางแนวทางป้องกันดำเนินการไม่ได้รับอนุญาตเพราะมีเหตุการณ์ลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นแล้วซึ่งศาลสั่งลงโทษจำคุก4ี่ปีโดยไม่รอลงอาญา